จเจริญพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบไว้ให้เพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญก้าวหน้าที่จะตามมาต่อไปหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนั้นส่งแสดงไว้มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือ 1. ให้มีศรัทธาความเชื่อ 2. ให้มีจาคะะการเสียสละ 3. ให้มีศีล คือเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 4. ให้มีปัญญาให้มีความฉลาดด้วยเหตุด้วยผลนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่พระพิจ้ารงสอนให้พุทธศาส น, านิกชนหมั่นบำเพ็ญหมั่นปลุกฝังให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นมาเพราะจะเป็น สิ่งที่จะพาให้ตนได้พบกับความสุขพบกับความเจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายดังนั้นในเบื้องต้นส อ, สอนให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อเชื่อในพระพุพะทธธรรมพระสงค์เชื่อนะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้ธรรม เป็นผู้รู้ผู้เห็นเรื่องของความสุขก็ดีเรื่องของความทุกข์ก็ดีเรื่องของความเจริญก็ดีเรื่องของความเสื่อมก็ดีสมรู้ว่าเกิดจากเหตุคือการกระทาของเราเป็นหลักการกระทาของเราก็มีอยู่สามคือการกระทาทางใจเรียกว่ามโนโกรรม การกระทําทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมและการกระทําทางกายเรียกว่ากายกรรมคือการกระทําทั้งสอนี้จะเป็นเหตุที่จะนํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ซึ่งความเจริญหรือความเสื่อมถ้าคิดดีพูดดีทําดี ก็จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะนำมาซึ่งความเสือ่อมนำมาซึ่งความทุกข์ต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้แล้วก็นำมาสั่งสอนพวกเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่จะสามารถเสกเบา โดยพันดาลให้พวกเราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันเราอยากจะรวยก็ขอพระพุทธเจ้าอยากจะมีความสุขก็ขอพระพุทธเจ้าอยากจะได้สามีได้ภรร ย, ยาก็ไปขอพระพุทธเจ้าอยากจะได้ลูกก็ไปขอพระพุทธเจ้าอยากจะได้อะไรก็ไปขอหมดซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าส อ, สอนว่าถ้าอยากจะได้อะไรก็ให้สร้างมันขึ้นมาด้วยกายวาจาใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่เราปรารถนานั้นอยู่ในความสามารถของพวกเราแล้วเพียงแต่ขอให้เราอย่ามีความเกียรตครานเท่านั้นเองอยากขี้เกียจอยากจะรวยก็ให้ขยันทำมาหากิน หาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่นานก็จะรวยขึ้นมาได้อย่ารวยแบบงอมืองอเท้าไปซื้อลอตเตอรี่ไปแทงหวย <c oughs> พวกนี้ทาไปจนวันตายก็ไม่มีทางที่จะรวยได้ถ้ารวยได้ป่านนี้รวยกันไปหมดทั้งประเทศแล้วเพราะมีคนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กันเป็นประจำ คือมากี่สิบปีแล้วก็ยังไม่เห็นรวยสักทีแต่ก็ยังไม่เคยคิดเลยว่าวิธีที่จะทำให้รวยนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีความขยันทำมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็ให้รู้จักใช้เงินใช้ทองให้รู้จักเก็บเงินเก็บทองใช้เงินในสิ่งที่จำเป็น ถ้าไม่จำเป็นก็เก็บเอาไว้เก็บไว้เรื่อยๆต่อไปก็จะมีเงินทองมากมายขึ้นมาก็จะกลายเป็นเศรษฐีกลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้ดังนั้นจึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราหาเหรียญมาห้อยที่คอแม้กระทั่งพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรง ไม่ส่งสอนให้สร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าสรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต<ม>คือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระธรรมนั่นเองถ้าเราศึกษาและปฏิบัติจนเรามีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจของเราเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง คอยคุ้มครองรักษาเราเพราะคนที่มีทมอยู่ในใจย่อมตั้งอยู่ในความดีงามย่อมไม่ไปพูดย่อมไม่ไปพิติประพฤติตนในทางที่เสียหายเช่นไม่ไปเสพสุรายาเมาไม่ไปเล่นการพนันไม่พูดปดไม่ไม่เที่ยวกัางคืนไม่มีความเกียจคร้านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรและไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จถ้าไม่กระไม่กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วความเสียหายต่างๆก็จะไม่มาปรากฏขึ้นกับเรายกเว้นถ้าเป็นเรื่องของกรรมเก่าวิบากกรรมที่เราเคยทํามาเช่นเราเกิดมาในโลกนี้เราก็มีวิบากติดตัวติดตามมาด้วยคือความแก่ความเจ็บความตาย อันนี้มันเป็นวิบากของกรรมที่เราทําในอดีตส่งให้เรามาเกิดเมื่อเรามาเกิดแล้วทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นได้ต่อให้มีพระพุทธรูปราคาองค์เป็นล้านห้อยอยู่ที่คอก็ป้องกันเราไม่ได้เรื่องของวิบากกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเกิดมาก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกัน คนที่เสกที่เป่าเลนแจกพวกเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีใครหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้แต่สิ่งที่เราหนีได้ก็คือความทุกข์คนที่มีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจแล้วจิตใจจะไม่วุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายจะรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดนออก ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยตายกันทุกคนแก่กันทุกคนเจ็บกันทุกคนแต่พอได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้ตายไปท่า น, นก็วุ่นวายก็เดือดร้อนกันขึ้นมานั่นเป็นเพราะใจของเราขาดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเราไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเพราะเรามัวแต่ไปหาพระพุทธเจ้าที่อยู่ภายนอก พระพุทธเจ้าที่เป็นรูปเป็นเหรียญต่างๆท่านเหล่านั้นไม่สามารถช่วยอะไรเราได้แม้แต่ตัวท่านเองยังช่วยตัวท่านเองไม่ได้เลยมีขโมยมาตัดเสียรพระเอาไปขายเป็นจำนวนมากมายก่ายกองถ้าพระพุทธรูปท่านวิเศษแล้วทำไมท่านจึงไม่สามารถป้องกันตัวของท่านเองนั่นก็เป็นเพราะว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ท่านเองเป็นรูปเหมือน เพื่อให้เราได้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่ทรงจัสรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราให้พวกเรานั้นทำดีพูดดีคิดดีเพราะจะเป็นวิธีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญ ความปราศจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีวิธีนี้เท่านั้นเองถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิน้นเช่นเราสูญเสียอะไรไปเราก็จะคิดว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เรายืมขามาเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดเมื่อถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราก็คิดเสียว่า เขาต้องไปคืนไปสู่เจ้าของของเขาก็มีอยู่เท่านั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนหรือถ้าเราเจอประสบกับความทุกข์กับความยากความลาบากเราก็คิดว่ามันเป็นกรรมเก่าของเราเราไปทำบาป ท, ทำกรรมทำถิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาเราก็เลยต้องมาใช้เวรใช้กรรมในในขณะนี้ แต่เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกเรายังสามารถสร้างความดีได้สร้างความสุขให้กับเราได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของเราความสุขภายในใจนี้ไม่ต้องมีอะไรภายนอกมาทำให้ใจมีความสุขเพียงแต่เราทำให้ใจเราสงบระงับ ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเท่านั้นเองใจเราก็มีความสุขได้แล้วเช่นเราทุกข์กับเรื่องอะไรมีปัญหากับเรื่องอะไรเราก็อย่าไปคิดถึงมันถ้าถ้ามันยังจะไปคิดอยู่เราก็ดึงมันมาคิดเรื่องอื่นให้มันคิดคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอยู่ในใจ หรือให้คิดบทสวดมนต์สวด ไ, ไปเรื่อยในใจอารหังสามมาสวดไปเรื่อยๆสวดไปกี่รอบก็ได้สวดไปจนกว่าจะลืมไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราปวดหัวที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจพอเราไม่คิดถึงมาแล้วความทุกข์ความวามุ่นวายใจมันก็หมดไปเองเพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองเราไปคิดถึงมันเอง แล้วเราก็เกิดความวุ่นวายใจตามความคิดของเราหรือถ้าเราจะคิดเราก็ต้องคิดให้มันถูกถูกหลักถูกความจริงเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรเราก็เข้าไปคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ mm. เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราไปห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตอนนี้เราสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือ ทำให้ใจของเราไม่วุ่นวายเท่านั้นเองแต่เรื่องอย่างอื่นเราไปห้ามไม่ได้เช่นเราไปห้ามไม่ให้คนเขาเกลียดเราไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้คนเขาแกล้งเราไม่ได้เราห้ามให้เขาทําอะไรกับเราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หวั่นไหวกับ ก, บการกระทาของเขาแล้วเขาจะทําอะไรกับเราเขาก็ทําได้แต่ร่างกายของเราเท่านั้นเองหรือ สมบัติเข้าของเงินทองของเราเท่านั้นเองแต่เขาจะไม่สามารถทำอะไรกับใจของเราได้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะเรารู้ว่าในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายไปเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ดีไม่ว่าจะจากคนนั่นคนนี้ไปหรือจากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปก็ต้องจากไปด้วยกันทุกคน ถ้าจะจากมันตอนนี้ก็ให้มันจากไปก็ได้ถ้าเสียของนอกกายไปก็ยังคิดว่ายังมีร่างกายอยู่ร่างกายนี่แหละคือสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ต่อให้เขาเอาเงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านมาแลกกับร่างกายของเราเราจะเราจะยินดีที่จะแลกหรือไม่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอยู่แล้ว ก็คือร่างกายนี้เราก็คอยดูแลรักษาร่างกายไว้ให้ดี mm. ก็เรากันจะสูญเสียอะไรไป mm. ก็ปล่อยให้มันสูญเสียไปของนอกกายหาใหม่ได้คนนั้นตายไปเดี๋ยวก็หาใหม่ได้สิ่งนั้นจากเราไปเดี๋ยวเราก็หามาใหม่ได้ไม่จำเป็นไม่ต้องกลัว mm. และถ้าเราหาไม่ได้ mm. ก็ไม่เป็นไรอีกนั่นแหละเพราะไม่มีอะไรนั่นแหละดีที่สุด ว่าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาร้องหง่มร้องไห้มาทุกข์มากังวลใจกับของที่เราได้มาเราได้อะไรที่เรารักมาเราชอบเราก็จะหวงเราก็จะห่วงเราก็จะกังวลเวลาจากเราไปเราก็ร้องหง่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่มีอะไรเลยแสนจะสบายไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกับอะไร กับใครทั้งนั้นเพียงแต่ทาใจของเราให้มันนิ่งเท่านั้นเองอย่าให้มันไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านั้นเองหรือถ้าเห็นคนอื่นเขามีแล้วอยากได้ก็คิดถึงความทุกข์ที่เขามีกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็จะไม่อยากได้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างพระพุทธเจ้าท่านมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายแต่ท่านก็ทรงสละไปหมด เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นความทุกข์นะมันไม่ได้เป็นความสุขเวลาไม่มีแล้วแสนจะสบาย น, นะคพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีจาระะให้เราเสียสละให้เราละตัดสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดซึ่งไม่มีอะไรที่เราจําำเป็นจะต้องมีนอกจากปัจจัยสี่เท่านั้นเองที่เรายัางต้องอาศัยมันอยู่ คือเราต้องมีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าไว้ใสมียารักษาโรคมีบ้านไว้หลบแดดหลบฝนก็มีอยู่เท่านั้นเองก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นราคาแพงๆไม่ต้องใหญ่โตมาโหราอะไรอาหารกินมื้อละห0สิบาทก็อยู่ได้ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเป็นเป็นร้อยเป็นพันเพื่อกินอาหารมื้อหนึ่งกินไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันเวลามัน จะออกมาก็ต้องไปออกในห้องน้ำเหมือนกันมันไปที่อื่นไม่ได้มันไม่มีราคาอะไรแล้วเวลามันออกมาเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงกับเรื่องการกินการอยู่มากจนเกินไปเพราะมันจะกดดันจิตใจของเราให้ต้องไปดื่นรนไปหาสิ่งเหล่านี้มาโดยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อบ้านราคาหลายล้านมาอยู่ หาซื้อเสื้อผ้าราคาเป็นพันเป็นหมึ่นมาใส่เนี่ยต้องไปรักษาโรงพยาบาลเอ ก, กชนที่จ่ายที่เป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นมันก็ตายเหมือนกันคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอ ก, กชนตายไปก็เยอะเหมือนกันทั้งนั้นแหะโรงพยาบาลไหนหมอเขาก็เรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันเขาก็มีวิชาความรู้เหมือนกันเขาก็รักษาเราเต็มที่เหมือนกันทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากจนเกินไปกับเรื่องปัจจัยสี่ขอให้มันพอมีพ อ, อยู่พอเป็นพอไปก็พอแล้วถึงเวลาก็ต้องตายเหมือนกันต่อให้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้ถึงเวลาที่ร่างกายนี้มันจะตายจะดับไม่มีอะไรจะช่วยมันได้แต่สิ่งที่จะดูแลรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายได้นั้นก็คือความฉลาดคือปัญญา พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีปัญญาด้วยการศึกษาความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาลงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ลงพ้นจากการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะมีปัญญาเราจะมีความฉลาด เราจะรู้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพอเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราก็จะไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เสียอกเสียใจเวลาที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้จากเราไปนี่คือปัญญาปัญญาก็คือให้พิจารณาความจริงของชีวิตและอย่าไปกลัว คนบางคนคิดว่าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะทำให้เราแก่ให้เราเจ็บให้เราตายทันทีมันเป็นไปไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคนเราเมื่อถึงเวลาจะตายจะคิดหรือไม่คิดก็ตามมันก็ตายเหมือนกันเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะคิดหรือไม่คิดมันก็มันก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้เหมือนกัน มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดหรือไม่คิดแต่การคิดของเรานี้คิดเพื่อสอนใจเราคิดเพื่อให้ใจเราเตรียมรับกับเหตุการณ์ไว้เมื่อใจเรารู้แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้พอมันเกิดขึ้นใจเราก็ไม่วิตกใจเราก็ไม่หวั่นไหวใจก็เราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับเวลาที่เราไปยืมเงินของคนอื่นเขามา เรารู้ว่าเงินที่เราไปยืนมานี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปพอถึงเวลาที่เขามาเอาคืนไปเราก็ให้เขาไปท่านั้นเองเราก็จะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจอย่างไรดันใดเงินทองที่เราไ่อยู่ถ้าเกิดมันหายไปเราก็คิดว่าเป็นการคืนเจ้าของเขาไปก็หมดเรื่องมันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้ว จะมาร้องหยมร้องไห้เสียอกเสียใจทำไมเสียเงินก็พอแล้วอย่าไปเสียใจไม่จำไม่ต้องเสียใจเสียใจนี่มันเจ็บมากยี่กว่าเสียเงินเสียทองเงินทองมันเป็นของนอกกายนอกใจอย่าไปเสียดายมันคิดเสียว่าเมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องไปมันก็ต้องไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เราจะไม่เดือดร้อนเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินทองนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่จีรังถาวรเราก็อย่าไปอาศัยเงินทองมากจนเกินไปหัดอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง mm. เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ลองอยู่บ้านดูเฉยเฉยอย่าออกไปใช้เงินใช้ทองหาอะไรทําในบ้านเก็บกวาดเช็ดถูอะไรไปทําให้บ้านเรือนสะอาด แล้วเราก็มีความสุขกับการอยู่บ้างเราไม่ต้องเสียเงินทองไปเราไม่ต้องไปกังวลกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไป <Yeah. S 1> ถึงแม้บางวันเราหาเงินมาไม่ได้เราก็จะไม่วิตกเพราะเรารู้ว่าเราไม่ต้องอาศัยเงินทองนี้นั่นเองแต่ถ้าเราใช้เงินใช้ทองแบบสุรุย่ยสุร่าย อยากจะได้อะไรก็ซื้อมาเวลาหงุดหงิดใจไม่สบายใจก็ออกไปหาซื้อข้าวของเพื่อจะทำให้ความหงุดหงิดใจนั้นหายไปซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่แก้ความหงุดหงิดใจเพราะความหงุดหงิดใจนั้นมันเกิดจากความดื่นรนของใจเราเวลาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วมันหงุดหงิดขึ้นมาเราก็หางานให้มันทำสิเราก็เอามาสวดมน์เอามานั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบพอจิตสงบแล้วความหงุดหงิดมันก็หายไปเองไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีเงินไม่มีทองแต่ท่านอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะท่านรู้จักวิธีอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนั่นเองพวกเราก็สามารถอยู่แบบนั้นได้ ถ้าจะใช้เงินใช้ทองก็ใช้กับสิ่งที่มีจำเป็นเช่นปัจจัยสี่ท่านั้นเองไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆมาให้ลกบ้านลกเรือนมาเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษานี่แหละคือการดำเนินชีวิตของชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสละสิ่งภายนอกออกไปให้หมด สละได้มากเท่าไหร่เราจะมีความสุขจะมีความสบายใจเท่านั้นแล้วก็สอนให้เราเดอนสติเดอนใจอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกของความเกิดแก่เจ็บตายสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสักวันหนึ่งเราก็ต้องพลากพาจากกันถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเราจะไม่เดือดร้อน เราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเมื่อเกิดเหตุการณ์หลบบนี้เกิดขึ้นมาเพราะเวลาเรามาเกิดเราก็มาตัวคนเดียวไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยมาตัวเปล่าๆแท้ๆแล้วทําไมเวลาเราไปเราจะต้องไปเดือดร้อนด้วยเพราะว่าเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้อยู่ดีจะเอาติดตัวไปได้ก็บาปและบุญแค่ น, นั้นเองท่านจึงสอนให้เราละบาปอย่าไปทําบาป เพราะถ้าเราทำบาปแล้วเราจะมีชนกติดตัวไปเราจะมีหนี้ตามเราไปเราจะมีเจ้ากรรมนายเวรไปตามจองล่างจองผานเราดังนั้นท่านจึงสอนให้เรามีศีลคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดตะเวณีพูดปลดมดเทศเสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะพา จะทาให้เราต้องไปใช้เวงใช้กรรมในภพหน้าชาติหน้าต่อไปแทนที่จะไปเกิดบนสวรรค์เนื่อกับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องไปใช้เวงใช้กรรมในอบายเสียก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะเป็นผลที่เกิดจากการไม่มีศีลนั่นเอง <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงไม่อยากให้เราต้องไปใช้เวงใช้กรรม <c oughs> ไปตก ไปตกนรกไปแบกความทุกข์จึงสอนให้เราละบาปอย่าทำบาปและให้เราหลีกเลี่ยงอบายามุขเพราะอบายามุขก็เป็นตัวที่จะฉุดให้เราไปทำบาปนั่นเองเช่นเล่นการพ น, นันแล้วไม่แล้วบวดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปหาเงินมาโดยวิธีมิชอบไปลักไปขโมยไปป้นไปจี้แล้วดีไม่ดีก็อาจจะต้องไปฆ่าเขาเพื่อที่จะให้ได้ เงินมาเล่นการพนันต่อหรือเราชอบเที่ยวชอบหาความสุขจากการเที่ยวการเสพเราก็จะต้องหาเงินมาใช้อยู่เรื่อยๆเพราะคนที่ชอบเที่ยวมักจะไม่ชอบทำงานทำการทำมาหากิ น, เ, นเมื่อไม่ทำมาหากินเงินทองที่มีอยู่ใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็หมด หมดแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปโกหกหลอกลวงหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปลักขโมยหาเงินหาทองมาเที่ยวต่อแล้วก็ทําให้กลายเป็นคนที่มีบาบมีกรรมติดตัวไปพอตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหลีกเลี่ยงอบายยมุกและหลีกเลี่ยงการกระทํำบาป เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตของเราเราไม่มีเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้ได้อยู่อย่างอยู่อย่างมีความสุขด้วยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราปลูกฝังคุณธรรมทั้งสี่ประการไว้อยู่เรื่อยๆคือให้มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีจาระะให้เสียสละให้พยายาม ตัดให้ลดให้ละสิ่งต่างๆภายนอกกายนอกใจเอามีไว้เท่าที่จำเป็นก็พอส่วนไหนไม่มีจำความจำเป็นก็เอาไปบริจาคเอาไปแจกให้คนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาไม่มีถ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่ในตู้มากมายแล้วไม่ได้ใส่มาเป็นเวลาเป็นปีก็อย่าไปเก็บไว้ให้มันเกะ ก, กะเลยไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาไปบริจาคแล้วจะได้เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เรามีความสุขใจทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดนะีแล้วก็สอนให้เรามีศีลอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็สอนให้เรามีปัญญาให้เรารู้ทันกับความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกัน ถ้าคิดอย่างนี้ถ้ามีปัญญาแล้วจะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศ จ, จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นจึงขอให้ท่านจงนำเอาคุณธรรมทั้งสี่ประการที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้เอาไปพินิจพิจารณาและนาเอาไปปลูกฝังบงเพ็ญให้เกิดขึ้นมาอยู่ภายในใจของท่าน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 มีความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภละโดยทั่วหน้ากานเธอ